พระธรรมเทศนาจาดกเรื่องหนักเขาคำภูติแปดเรียบเรียงโดยอินสม ช, ชัยชมภูปเปรียงทำหุกประโยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงไา้อะโมตัสภากะวะตวอาราหะโตสมมาสัมพุท t h า ซาวาจานังสุตตตาปะโสปติวาจานังอตาสิติสาาวดุราสาปุริตาตั้งลายตั้งยิ่งใจมวนหมอันนั่งอยู่นานำ จุงจะจำแต่ตนติดสืบสนตัวไยเราจะไขโอกาสตามบทบาทบาลีบัดนี้เละนะตัดซาวาจะดังสุดวาตาปะโสอันวารสีผู้เท่าฟังคมเจ้ากุมารจริงเล็งญานวิเศษ ไปไข่เขตจุมปูหันสองบุญจูเจ้าจ้างบ่มวยมั่งหายห่นยังเป็นคนตั้งกู้ตกข้างอยู่แดนไก่เจ้าสินใสหันทีจริงจกจี้ไข่คมว่าดูระดอคุณทำเฮยหนุ่มเาพ่อแม่เจ้ายังมี ตกปุรีต่างเต้าอยู่ต่างดาวไก่ตาจักไปหาซอไซบอจวจบได้เดียวปั่นย้อนกำพันจักลากเศววิบากยังมีแถมหนึ่งปีไป้านาวิบากาหายซูนบอเหลืองุ้นหักไวจริงจักได้หันกัน นอจอมทันหนุ่มเนาฟังคำเจ้าระสีหายเครื่องขียงตำก้อยใจยังห้อยเววากะนิ่งหาพ่อแม่บ่เวนแววันใดและนะ้อาอ๋เทกตีว่าสั่งยังมีวันหนึ่งใส่เจ้าดอไทยบุญ น, นาใจเววาลายลากจริงออกจากอาสลม เออดเ ด, ด็ดดมดอกไม้ตามตีไกอารามพงบานงามลายแหล่มีจูงง่แงหลายพันคือเองจันหอม อ, อ่อนสลิดซ้อนซอนเกือมีจดเตื๋อวผับไข่อเอืองงอนไกเปิงแป้งเอืองจางแดงจางน้อยปวงหอยหน่อยจำลำ เมืองจางคำจงางดาวติดควายดาวดงไพรดังตุงใจจอหน่อยพอเป็นท้อยหอมนวลเป็นดังส่วนป่อเจ้าในเมืองเก่าปรา บันงาต้นใหญ่ตั้งอยู่ไกลจำปีสารพีหอมหืนจำปาจืนเอาใจดอกในไพรป่ากว้างกลางตาตั้งหิมะป า, านเตียนย่อมบ้านยาห ย, ยาดบอเว้นขาดเดือนได้พ้องข่าวใสหมุนเลื่อมเลือยงและเชื่อมปุ่นแยงปังซ้อนแดงเขียวอิน เพิ่งปูบินบินจรใไสไก่สอนดวงดอกได้แล้วออกบินไปนกดงไพรลลยแหล่พ่องบินแผ่สะสนพ่องจับบนกิ่งไม้ <c oughs> เป็นกูไก่ผัวเมียร้องเสียงเสียมีกองสนันห้องดงดอยสายลมจ้อยดอกไม้หอมไปไข่ดงรี เจาบุญมีน้อยนแอวจมจ่อดวงบ้านลืมมองผ่านบอลเศร้าก้อยไต่เต่าเที้ยวไปหันดอกใดงามอาดก็ย้ายบาดไปจมเด็ดบาดมือถือไวพอดอกใหม่ตัวไฟลัดดงไผเถื่อนทองไก่จากห้องซาลา รอดดวยผาสูงใหญ่อันเคยได้มาหันกับจอมควันปิ่นเก่าคือตันเจ้าระสีเจ้าเจียงจีหืออาบดำสาราบยายำหนอขุนทมบุญใหญ่ไปรอดไก่ดอยผาสั้นสายตาและพอดำจากจอผาจันเสียงเรื่องนั้นสาสาตกต้องตาสาสน ลงจากบนดอยใหญ่มีดอกไม้ตัวมาหันสังกาหลายลาคืดแตะหากวันอ้ามคือดอกบัวงามพงกี่ตกมาทีเจจนดอกนี้ลู่บนบ่อคาตกตองตาตัวฟ้องดอกบัวต้องกีบอาตกต้อยกว่าจังกอนดอกป่านซ้อนไหลลงดอกกลางพงยังดี ล้างดอกสีเหี่ยวจำมีความผ่ำไหลอันบางพ่องหันแต่กาบไหลหยาหยาบลงมานอพุทธหันเลวบ่กาดแก้วสงสัย นิ่งในหลายบอกว่าบ่อแม่นดอกไพ่สนเกิดอยู่บนดินใดเป็นดอกไม้โบครณีบนกิรีนิใสเตียงมีสลัใหญ่นองหลวง ดอกปันปวงม้วนหมูที่ยังเกิดอยู่จอมกันคนได้พันไปรอเด็ดแล้วตอดไหล้อยกวนไปก้อยเล็งพ่อเฮอแจ้งต่อสายตา คือสังกาเสียงขาดเจ้าด้อยนาจอมใจข้านิงในไข้แล้วกอกาดแก้วลีลาขึ้นด้วยผาสูงใหญ่ ก, ก็จิงไม่เคืืวันก้อยนองพันข้ามยำตัวตามน้ำไหลมาตาวันดาตามกอ้อยไหลยอนหอยลงแรงเจ้าจอมแป้งจิงรอดขึ้นถึงยอดด้วยจัน อาซาจันลอยแลพากดแก่สยตาบุโดอยผานั่นใสมีสลักใหญ่โบครดีสายนาตีไหลออกจากข้างคอวังไสแล้วไหลไปลาลาทุกตองตาดหินพาหันกัญญาสาวน้อยงามจื่นจ้อยเหลือคนดังดังบุฝากฝ้ากับเป็ดนาลงมา มีนำนาลายหลากพ่องออกจากวังทานพ่องสำรานอาเลลนน้ำแตกเต้นเป็นทายพ่องยืนย้ายไปนอกรรองเอื้นหยอกเอ น, นืองนันพ่องกำพันดอกไม้แล้วสัดใสเจ้าจุ่มพ่องต่อตุ้มลงน้ำเล่นพ่องพำนันเนืองเจ้าบุญเรื่องน้อยหนอลี่ซ่อนพ่อแดนไก กันตาวันใสตกต่ำจักเืิดคำจนตานางกันยามวนหมูก่อลงส่โบคารณีบ อ, บอหันมีปิกปอกไหวนะ่าออกมาบนลวดไายห่นกว่าจอยเจ้าดอ น, น้อยสายใจเรียบเรียวไว้ไปไกลพอเสียงไข่โบคารณีจุมนารีมวนหมูบอกข้างอยู่แดนใด น้ำนิมใสจะจนดอกปูฟันไหลลอยดักเย็นวอยจู่ดานดาวสะทันเย็นคิงเจ้าบุญปิงยินเงืดซ้ำขมืดจนตาจักไก่กาปิกปอกบอกหูออกต่างได้จริงอดใจนอนจอดอยู่บนหยอดได้จันทก็มีหันแลยนะ อาทังกาเตสุริเยกันตาวันใสตกต่ำลวดมืดค่ำจนตาสนตาพระสาว้เทาอันอยู่เฝ้าอาสลม <c oughs> บ่หันเจ้าอดมนอลาปิกอายนาขึ้นมาใจเววาจ่องห้อยว่าเจ้านอน่อยไปไหนหลงดงไผยเตือนทองหรือปอกทองปุรี หรือเสือมีกาหยาบมากันกาบไปกินหรือนกบินอากาศแห่งหาวหาดจือหัตสดีลิงลงมาจิ้งย่มใดเอาเจ้านอไทยนี่หายหรืออยากภายใจเศร้าก็กลุ่มเจ้าป่าไปเจ้าสินใสคะนิ่งขวาดว่าเจ้าน้อยนาดบุญภายบ่อหอนตายด้วยง่าย ย้อนสัตรัยตัวห่านหรือยากมานอยากจ้าเหตุเจ้าดอลาบิบุญจบสิบประคุณจู่ดานบ่อสะตานเวียนไพเป็นสันใดก่อเลอเจ้าดอกแก้วบ่อขึ้นมาตาประสาผู้ใหญ่อยู่ฝ่าไม้มานานจริงเล่งยานเศร้พอก็หันนอผู้ทอน คงลงนอนยังจอดอยู่บนยอดโดยจันกันเล็งหันแจ้งทีใจเจ้ากีบานมาบอกวิวาจ้องห้อยอุเบกขาป่อยตามทำแลยนะ อุนาติวเสในวันลูนและรุงสายฝ้าปุ่งขึ้นมาหนอพุทธายศใหญ่ไข้หูไข้หันใสว่าเป็นเจ้าใดมาอาบ <c oughs> ดําสารบอการณีเป็นกินดารีอ้วนอ่อนอยู่ในบอนดองนาหรือเป็นมโนราข้าวลูกสาวเต้าอุทุมพร อยู่อยกันทอนดอยใหญ่หรือนางหนักไตกงกาหรือเตวาดาอยู่ฝ้ากวนอยู่ทาเลงดูหนอสะพันอยู่กึศแล้วบอกกาดแก้อลานี สนตัวดีอยู่เฝ้าตังแต่เจ้าย่ำงายถึงยาำควายมารอดแดดสื่ อ, อดผาจันเจ้าจอมขวันเงยพอยังผาจอไก่ตาเสียงดังมาส า, สาวบอูดาวแดนใดจิงเลียวไปเล่งส่องทัติาาี่ห้องโบคารณีก็อหันนารีสาวน้อย งามจีนจ้อยนานำพ่องลงดำอาเปลนน้ำแตกเต็นสาสนพ่องยืนบนข้างคอกจ่าเอิ้หยอกนันเนืองเจ้าบุญเรืองดอไท ย, ย ค, ยคนิ่งไข่กิตนาว่าจุมกัญญ า, าข้าวมาจากดาวแดนใดสั่งเรียวไว้ล่ำกว่าพุต่อหน้าบัดเดียว กวนกูเตีวไปไก่นางนดาทยัยคิงรามแล้วจะทำเก่าอู้ือได้หูสัจจังนอพุธทธังเกิดแล้วก็กาดแก้วไปปันเต้ยวภายพันรีบหาวไปสู่ดาวบอกรณีเพื่อทำนารีมวนหมูห่ืฮอได้หูความในก็มีฮันแน่นาะ ต้องติดสากันย่าญโออันวานารีน้อยตั้งหลายมวลหมู่พงเงลิ้นอยู่เนืองนั้นเขาได้หันเจ้าบบาวเตียวรีพาวมาหากวเวาสะดุ้งสติฟุ้งยินกัวละเครืองขัวเสียงซ้ำแล่นลงน้ำหายซอยบ่มีหอยข้างว้หืเฮเจ้าได้เล่งหัน <c oughs> นอจอมทันว่ารอดพอไขจอดโบครณีโบหันมีสักผู้หล่อข้างอยู่ต่อตาเจ้าสังกาบ่โนยหันแต่ซอยสังวานมุกดาหารกาใหญ่วางย้ายไว้ น, นำเจ้าอง ค, ค์คากึหวาดว่าจุมนาดนารีเตียงเล่นนีลี่ซ่อนอยู่ใต้บนวางใส น้ำยังไหลบ่อเหือดปูปุงเดือดเป็นฟองกู้วรลองลงพอหือหันต่อสายตาเจ้าบุญ น, นายดใหญ่เก็บเสียงไข่อลังการคือมุกดาหารสายซอยมีบ่อน้อยหลายอันสังรวมกันมัดมันแขนสายดันกำพันแล้วเร็วปันรีพาว ลงสู่ดาวบอกกรณีสติดีตั้งมันลงดำดันวังใสลัวตกไปเลิ้วเลิ้วเวย็นจะจิวเหลือลายเจ้าบุญภายหนอไทยกันใจไวไลหลหุ่น จาขืนบนยินยากดังคนหลากลงไปลมกันใจเสียงขาดเจ้าน้อยนาดลืมกิงสยบสะบิงตกตอจิตบ่รอดดีไก่กันตกไปรอดปืนเจ้าก็ตื่นมืนตาพอไปมาแวดว้างเป็นเมืองกลางเวียงใจรัฐสบีใสแจ้งส่ง หันไข่หองอานาหันผางกาภาสะอาดงามวาวว่าเื่องไรผ้าดับไปด้วยแก้วงามเลิศแล้วใส่สีรัตสมีวาว่าปอสารสาสตาหันโยธามวลโมโหร้องอยู่เด้งนันเนืองเจ้าบุญเรื่องน้อยหนอหันแจ้งต่อตาตนมีกังวลหลายหลาก กึดแต่หากเหมือนฟันจุกยืนชันซาลังบ่อจางนั่งหรือเตี้ยกึ๊ดใจเลี้ยวขึ้นล่องบ่อพดป่องตั้งใด้ก็มีหั่นแลยนะอาธาในกาลนั้นโยธาลายมวนหมู่แล่นมาสู่สะสนแวดล้อมตนแห่งเจ้าปากตานเล่าจะทำ ว่าดุราใจารำ่มเ น, นาเมึงเป็นเจ้อเผ่าเจ้าได้จักไปไหนมานีจุงกาวี้บาพันเจ้าบ่อตันจักปากเขาก่อหลากนำไปว่าจุงไว้อ ย, ยา่าจะไปหาเจา้าฟ้าหอคำโยถ้านำมาเต้าจักจุงเจ้าใสา่ใจนำไปไว้ว่าวาดขึ้นภาสาดไปบน กันเถางตนตันเต้าอันอยู่ดาวรงกันก่อปะกันไว้ขาบว่าปะใจหยาบอาทมหิมหอคำเตา้าไทยจริงยับใดนำมา ขอราชจะเป็นเจ้าจุงทำเล่าความในกันจะใครกา่าวแล้วจุ่มผัวกแก้วโยธาก่อนย้อมือสาอภิวาสลงผาสาตไปปั่นก็มีหันเลยนะ อันว่าหนอโปธิญาณหยดเย้าไปรอดดาวรงกันก่อเล่งหันสาวน้อยนาจื่นจ้อยโสภาอันหันมาวันก่อนตัดตีบอลโบกรณีจุมดารีมวลหมนั่งเฝ้าอยู่เป็นปริวานแห่งพระภูบาเต้าไทายกนันเข้าได้เล่งหันยังจอมขันบุญมาก อันโยธาหากนำมาเข้าสันตาและทียกมือจี้เป็นหมายนางตั้งหลายเงอพอเอาปากล่อหากันนอจอมทันไปรู้ว่าเขาเก่ากำไดมีหัวใจอาการนั่งต่อนาราชายังรอราตัานเต้าจักตานเก่ากำไดกอบีหันและนะา โสราชาอันวาพญายดใหญ่หันเจ้าดอไทยบุญนามีลักขณางามอาดก่อหัวาดในใจว่าใจเดนไก่นีไส่ ยงบุญใหญ่เหลือลายจริงพันภายมารอถึงห้องยอดปุรีบุญบ่บีมากวางก็บ่ลางมาถึงกันรำเปิงที่แล้วเต้าต้นแก้วองค์คำ ก็ไขคำตาต่อว่าดูราเจ้านอใจรำลักคานงามหลายแล่เจ้ามาแต่แดนใดเป็นลูกไผ่นั้นเล่าจุงบอกเล่าใครมาสันใดจะมานีจุงก่าวชีมาพันพี่ใจวันอ่วงคองจิตเจตองสั่งจ้าจุงมุกดาใหญ่น้อย ตั้งสายซอยสังวานไมมานานแต่ไทยหรือเก็บใดแดนใดจุงจักไขบอกเล่าเฮอหูเก้าตามมีแดเตอร์เมื่อนั่นโปทิสตนบุญใหญ่จบแจงไขสิปักุนฟังคำคุณต่างเต้าไขหูดาวตามมีจิงไขว่าตีบอกเล่าตั้งแต่เก้าสุดปลาย ด้วยปริญายหลายแหล่หือแจงแน่หันใสซ้สำจะใครเกาทอยเมื่อสุดซอยปริญญาสานว่ามุกดาหารกามากสั่งวานหากหลายอันขาเล่งหันเก็บใดที่สละใหญ่โบคารณีบนกิรีใหญ่กวากา้างกลางตาตั้งดงนาคาสังกาไขหูว่าเจ้ามันอยู่แดนใด จิงอดใจเมียดไว้มัดเมียดได้นำมาเพื่อส่ะหาหาเก่าคือเจ้าเก่าเดิมมันกันได้หันเปล่งปลอย้าจากปล่อยฝันไปบ่อใส่ใจเก็บไว้คือห่อนไม้ตนคิงและนะ งสัตวาอันว่าผาญตนยอดใหญ่ฟังเจ้าดอไทยไข่กำปีญานำฮักมากจริงออกปากไข่จ้าว่าจุ้มมุกดาไขา่ซอยอันเจ้าดอนน้อยนำมาเป็นคองกันยาวนหมูอันนั่งอยู่ใหญ่ใ่เข้าขึ้นไปอาบนำเล่นหมวนลำลืมเอา มานั่งเงามวลเศร้าอยู่ที่เฝ้าโรงกันเจ้าจุงปันยกยืนฮือเข่าจืนใจบ้านกันไข่ขันกาวเล้วเต้าต้นแก้วองค์คำก่อไข่กำปงคาดฮือดังนาดกันญาไลกันมาไว้เจ้าฮับของเก่าไผ่บันกอบีฮันเลยนะ อาทาโคโปทีสัตตอลำดับนั้นอันว่านอโปทิญานตนองอาจบ่เสียงขาดสังกาจริงปุทชาทำเล่าสึงเต้าเจ้าปุรี ว่าข้าแดพระผูมีนยศใหญ่อาทยาไว่เดนไก่้าได้ไข่บอกเกาแก่ตันเต้าผู้บ้านมีภกากหลายแหลงเสียงแก่สังกาบัดนีนาขาโน่อขอสืบทอยความน้อยขอจุงไข่บอกเกาหือห้อขาวตามีวราจาัธานีนี่ใสตั้งแต่ไทยเดิมมา เจือสังจาขอกาวตนตันเ ต, ต้าหอคำ ม, มีบุญนำใจจ้ามีจือว่าสันไดจุมคนในไพราศเขาเหาหาดปาลา หรือเมตตาแผ่กว้างเขาก่อสร้างตรตทำการยังอาหารเลี้ยงต้องด้วยริดจงกองใดขอเต้าไขา่เกาจีฮือหูทีตามมี เจ้าปุริตนอง์อาจฟังถ้อยวาดพุทธชาจริงใครจะตอบถ้อยแค่เจ้านอน้อยเรี๋ยวปันว่าดูราเจ้าจมขวัญเฮยหยดยาวมาจากดาวแดนไก่เราจะใครบอกเล่าเฮอหูก้าขีญยอันว่าปารานนสัยอยู่ปื้นไตปฐวี พระจะามีหลายลาคือเมืองนาคดีลีเรานี่มีจือไว้ว่าพญานาคใหญ่อุกตะจตจราจาเป็นพญาศัวยราชเจ้าภาษาทอคำมาเมื่อ น, นำแต่เล่าได้หมื่นเก้าพันปีเศษปลายมีบ่โนยได้ห้าร้อยว่าซา เจ้าพรเจ้าไผ่ไตบ่อถอยไรจังไรบ่มีใจห ย, ยาบจ้าบ่คำคาราวีกันคนดีมาสู่ย่อมฮืออยู่ใจบ้านแม่นสามานมารอดย่อมฮือมวยหมอดบอ่ใบพระเจ้าไหาลาน้อยใหญ่บ่อสร้างให้ไทยนาบ่หิหาซอไสยังเคลื่องใจอาหาร เหตุสมปานผ่าเสดของติปเกิดตั้นใจขาดิ่งนในไขยากของติปหากมีมาหันตั้นตาต่อหน้าบ่าได้จ้าเมือ น, นาน สุขสำราญจูผู้บ่อหอนหูมองขีสำราญดีตัวต้องไขจูห้องหอเหือนดาวและเดือนอยู่ฝ้าแสงแดดกาตะวันบ่ออาจพันแสงส่อง มารอดองเวียงใจเมืองเราใส่สว่างแจ้งทั่วจั่แห่งปุรีด้วยรัศแบดเลดแล้วแห่งดวงแก้วเจียงคานขอกุมารนอไทยหูแจงไขตามมีแดเต้อ เมื่อนั่นกันพญานาะคตนองอาจไขเสียงขาดว่าตีเจ้าบุญมีน้อยนอกรอตันก่อกต้ตนต่อไข่รำว่าคาเดเจ้าห่อคำหยุดยาว ท่านได้กล่าวจากใครว่าเป็นเวียงใจแห่ง น, นาคานี่หากสังกาข้าพดมาแต่เจ้าทาราต่อเต้าย้มบรนบอได้หันยังนาจักมาจากแดนใดเจ้าเวียงใจไยไตแม่นเสียงไข่เป็นคนจุ่มรีปนหาวหาตั้งอามาตเสนาะ ตั้งกัญญาหลายแลก่อแม่นแต่คนเมืองตนบุญเรื่องตันเต้าอันภาพดาวหอดจันทร์บ่อพิษพันแผกเบาแม่นแต่เล่าคนใจหรือจะได้หลหายเฮอข้าไปนี่ไกล เป็นสันใดดังอีขอกาวจีปันมานาคาราชาบุญกว้างฟังคำอ้างว่าที่แห่งเจ้าบุญมีน้อยหนอจริงตานต่อคข่กัม ว่าดูราเจ้าบุญนำนอต้าเอามาจากดาวแดนไก่เราจะได้มันแก่นสัจแม่นนำหลาจุมภาจาหลายหลากแม่นเป็นนาคดีดีเตจะมีใจจาริดธีกาเหลือคน เนรามิตนแถลงเตดใดตามเจตใจใหมยเป็นยิ่งใจน้อยใหญ่ใด้พร้อมไขจูอันอันนางกำนันมวนหมู่ไปเล่นอยู่บุคคลีเจ้าบุญมีหนอไทยม้ารอดไกลวังใสเขาตกใจนักกว่าเล่นปอกหน้านี่มาแล้วไรจ้าบอกเล่าว่ามีใจบาปเศร้ากาลี มาเบียนขี้แหลนไหลเราโคดไไม่เดือลายจริงรีบมาบอกกล่าวไปตัวดาวปาราฮือพาเจ้าไพ ฟ, ฟากะเป็ดนาเป็นคนดารีปนพ่อหมู จักไปสู่บอกขรณีเจ้าบุญมีน้อยอ่อนมารอดก่อนเราไปมาเร็วไว้ก่อนหนะ้าจิงหันไพ ฟ, ฟ้าภาจาตั้งโยธาน้อยใหญ่เป็นคนไข่ตั้งเมือง เหมือนเจ้าบุญเรื่องน้อยนาดบ่อเสียงขาดสงสัยจุงอดใจถ้าพอฮือหันต่อสายตานาการาจาก่าวแล้วก็เฮาบาดแก้วเตรียมใจเรียบเรียวไว้เป่าร้องไปตัวต้องท่านี้คือเจ้าปุรีไพราตังอามาทย OUTH าตังนางกันยหาลายลากับเป็นหาบัดเดียว ดําแดงเขียวใหญ่น้อยขอสอดซอยลายคํามีดานำสะสูเลิดลัดอยู่ไปมาส่วนพญาตนอง์อาจเจ้าผาสัดหอจัน ก็กำพันบ่จ้าเป็นหน้ากาเดิมอ้อนตัวขาวป้อนใส่ส่องวันหน้าพองเรื่องไรตาเป็นไฟวาวาบแสงสาราปุ่นกัวงอนบนหัวแดงกำวันหพ้าำลายสีซ้ำเขามีสองข้างงอนอยู่วางกังเขาพอเป็นเงาเรื่องรุ่งรัตสมีปุ้งต้อตา นาการาจายดใหญ่กับเป็ดใดบัดเดียวก็รีเรลียวเปล่าร้องไปตัวห้องเวียงใจงเสนาในไฟฟ้ากับเป็ดนาบัดดนายเป็นคนดังเก่าเพื่อกเฮเจ้าหายกลัวก็มีหันเลยนะ ตาัตังประกาศเซนโตสัทธาสัทธาสัพพัญญุยอดซอยหันบัทอยบาลีบทหลังมีไปแจงพระจริงแสงเตสนาวาทโคนากราจาดังนี้เป็นตนพิกขาเวดูราภิกุตั้งหลายอันเป็นสายอริญเจ้า ทุกคำเจ้าภาวานาสโสนาการาจาันวาพญานาการาติดที่อาจนำนามีกาญยาข่าวพ่องวันณะสองกวนอาํางอนแดงงามเรื่องรุงรัศมีปุ่งลายสีซ้ำเขามีสองข้างดังอาจังปายสานมีสมพานลายแลเป็นเจ้าแกนาคา เนราบินกาญาบอจ้าเป็นเจ้าฟ้าเมืองคนเปื่อกหืนอนตาสะพนน้อยนาถายเสียงขาดสงสัยหืมีใจจืนยาวโบรีเผาล้านี เจ้าปุรีนาคารเตจะอาเจงสาซ้าเกียนจากตันต่อซึ่งเจ้าหนอคุนทำบาดูระเจ้าบุญนํายศใหญ่เจ้าอย่าได้นีไกล อย่าเรยวไว้รีพาไปจากดาวแดนเราจุงจากเศร้ายังอยู่กับจุมหมูเราราถึงวันมาปลายนาจรก้อยกว่าเมื่อเมืองเรายินเครื่องแต่เราเหตุบอบีลูกเตาใจยิ่ง เจ้าบุญปิงมารอดเราได้ต่อตาแย้งมีใจแป้งข้าคอยฮักเจ้านอหน่อยบุญนาดังบุตตาหนอเนื้อม่นเจ้าเอื้อผานีบอรีบหนีปิกปอกไหวนาออกดีไกยู่นานไปติดต่อเราได้พอเล็งหันเฮใจมันจืนจ้อยหายต่ำก้อยมองผ่านของเจียงคานผาเสิอด กิจที่เลิดเลือลายเราจะถาวายยกยืนให้เจ้าคำมื่นป่าไฟจไ้าเลนะอาซาวาจานังสุดตาส่วนโปทีสัตตนอง์อาจฟังถ้อยวาดํำจ่าแห่งนากราจายดเงยบ ขันไข่เก่ากําดีเจ้าบุญมีกึดหูว่วากวรอยู่รอไปผูกน้ำใจหนักไว้เพื่อจองใจไปลุนหนอตนบุญยอดซอยจริงตานถอยไข่จ้า ว่าแม่นมนหารชาชเจ้าตนเป็นเก้าปูรีบอกเฮนีภาคนาตัวแห่งคาใจรำจักอยู่ตามเต้าบอกบอกปิกบอกมีไกเจ้าหอใจนาการาทริษที่อาจนานำได้ยินคำต้านต่อแห่งเจ้าหนอบุญมีใจยินดีบอน้อยนาจื่อจอยเจยบาล ิงมีองค์การป่าร้องไปตัวต้องปาราฮือพระเจ้ า, าจูผูกกับเป็ดอยู่เป็นคนเปื่อยฮือตนแห่งเจ้าหายหมนเส้าเครื่องกาวันนั้นเลยนะเนี่ที่ตังขีญาสังวันนานาวิเศษจาห้องเหตุนาเขาคำผูกทวนแปดพญานาแขวดกฎหมาย เออพาเจ้าลาลไัยไ ต, ยตยกับเป็กไข่เป็นคนเือหนอตาสะพนหนุ่มดาได้อยู่เฝ่าหอในของอันใดนั่นเหล่าพญ า, านาเจ้าจักปันเออจอมควันหนอลาก้อยอยู่ท่าฟังไปยังยาวไกลบ่อนอยาจักสุดซอยปริญญาสารเหตุอาจารย์แต่เกา่า หันคนเทาหลังงอจริงจากป้อย่างก่อนฮือหายอ่อนเจ็บหลังดิที่ตังต้งเตาอีเตานี่หากวางลงก่อบังกมสมร็จเสร็จแล้วเต่านี่ก่อนแล